ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอั๋นาจเอี่ยมสำอางคณะบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนำคณะผู้บริหารเดินทางไปเจราจาสารต่อความร่วมมือทางการศึกษากับวิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพนานหนิงหรือ NCVT สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยร่วมกันหาทางจัดการศึกษาได้แก่สร้างหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์รูปแบบสองบวกสองร่วมกัน โดยจัดให้นักศึกษาเรียนวิชาภาษาไทยภาษาจีนที่ NCVT 2ปีและเรียนต่อที่คณะศิลปศาสตร์อีก2ปีหลังสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะได้รับปริญญาร่วมกันจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นทาง NCVT เสนอจัดอบรมหลักสูตรธุรกิจออนไลน์ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนะครและเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมแก่บุคลากรและนักศึกษา เช่นการอบรมภาษาจีนเบื้องต้นการทำวิจัยทางวัฒนธรรมไทยจีนขยายความร่วมมือจัดหลักสูตรอื่นๆร่วมกันเช่นหลักสูตรการท่องเที่ยวโรงแรมเสื้อผ้าวิศวกรรมและจะตั้งศูนย์ประสานงานการศึกษาระหว่าง NCVT กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นส่วนทุนสอบภาษาจีนหรืออบรมหลักสูตรต่างๆระหว่างไทยจีนซึ่งคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทระนครและวิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิ่งร่วมกันจัด ก, การด้านการศึกษามานานกว่า10ปีจึงเป็นโอกาสที่ดีในปีการศึกษานี้ที่ได้หารือขยายแนวทางการศึกษาในรูปแบบอื่นเพิ่มขึ้นเพื่อให้การสร้างความร่วมมือเป็นรูปธรรมและยั่งยืนยิ่งขึ้น นันทนาสีมาวิทยุราชมงคลพระนครรายงานรองนายกรัฐมนตรีสมคิดเผยจีนสนใจลงทุนใน e e c เร่งทำความเข้าใจผลักดันการค้าบรรลุปเป้าหมาย 1.4 แสนล้านเหรียญในปี2564นายสมคิดจตุสีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี เราปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าจีนกวางตุง้งไทยว่าเป็นการเชีย่ยวเห็นโอกาสทางการค้าและการขยายการลงทุนในไทยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการขยายมูลค่าการค้าระหว่างไทยและจีนให้บรรลุเป้าหมาย1 4ึ่งจแสนล้านเหรียญสหรัฐภายในปีสองพโดยจีนได้เดินทางไปศึกษาศักยภาพในพื้นที่ของ EEC ของไทยเพื่อวางแนวทางร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ผิด การค้าและการลงทุนระหว่างไทยและมณฑลกวางตุง้งซึ่งมณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงเนื่องจากมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีการนําเข้าเป็นจํานวนมากประชากรมีไรายได้ต่อหัวเข้าใกล้เคียงระดับประเทศที่มีไรายได้สูงและในปี2561ไทยและกวางตุ้งมีมูลค่าการค้า 23,980 ล้านเหรียญสหรัฐแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออกจากไทยไปกวางตุง้ง 14,200 ล้านเรีย เหรียญสหรัฐและมูลค่าการนําเข้าของไทยจากกวางตุง้ง 9,780 ล้านเหรียญสหรัฐและปัจจุบันไทยเป็นหลังนําเข้าอันดับที่7ของมณฑลกวางตุง้งซึ่งแม้ว่ายังมีการนําเข้าจากไทยไม่มากนักแต่ก็เป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านการลงทุนเพื่อการส่งออกไปยังจีนมากขึ้นรับังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะ